วีระธาตุใช้ในความทำให้หารกล้ามหาวีโรภิกขุจิตเจิดจ้าหมดสงสัยในพระศาสนาพระเทพวิสุทธิมงคลราชราชินีปวงชนน้อมวันทา90สบปีห1อพันษาจารึกเกียรติคุณธรรมะกล้าคู่ฟ้าดินทีวะประวัติย่อพระเทพวิสุทธิมงคลหรือหลวงปูศ่ศรีมหาวีโร ท่านเกิดในตระกูลปักกาสีนังในวันศุกร์ที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2460ตรงกับแรม8ค่ำเดือน6ปีมะเมียณบ้านขามป้อมตำบลขามป้อมอำเภอวาปีประทุมจังหวัดมหาสารคามท่านเป็นบุตรของนายอ่อนสีและนางถุมจ้อยปักกาสีนังมีอาชีพทำนาทำสวนทำไร่ท่านเป็นบุตรคนที่6ในพี่น้องรวมกัน11คน หลวงปู่ีท่านได้เล่าประวัติไว้ว่าบ้านขางป้อมบ้านเกิดของเราก็เหมือนบ้านชาวอีสานทั่วไปตั้งอยู่ท้ำกลางท้องทุ่งฤดูฝนปลูกข้าวฤดูหนาวปลูกผักสาหรับริดาของเราทำงานหนักเอาเบาสู้ส่วนมารดานั้นก็เช่นเดียวกันเป็นคนขยันไม่เกียดคร้านเมื่อว่างจากฤดูทำนาท่านจะอิว้วไฟ่ขิด้ายวกวาดไม้ใสเชิงอัก ติดตั้งเฟืมแล้วจึงทอผ้าบิดามารดาของเราเข้าลักษณะที่โบราณท่านกล่าวว่าหัวถ่อมียภายหัวหาบมียหามปีพุทธศักราช2459โยมมารดาได้สุบินนิมิตว่ามีดาวดวงหนึ่งรัศมีเปล่งสุกสกาวชวดช่วงลอยเด่นอยู่ในท้องฟ้าในทันใดนั่นเอง ดาวดวงงามเด่นนั้นก็ลอยหมุนวนหล่นร่วงลงมามาอันดาจึงรีบเอากระพุ่มมือทั้งสองออกรับในฝันนั้นได้เกิดปีติยินดียิ่งกว่าได้สมบัติใดๆจึงนำความฝันอันเป็นมงคล น, นั้นไปเล่าสู่ปู่ย่าตายายฟังหมอโหนในหมู่บ้านได้ทำนายดวงชะตาไว้ว่าความฝันนี้เป็นฝันดีนิมิตวิเศษ จะไม่พึงปรากฏแจกใครได้ง่ายๆเชิรอยจะเป็นบุญบรรดาลพวกท่านจะได้คนเอกเป็นมิ่งมงคลมาเกิดในตระกูลปกตีหนังจะต้องเป็นบุรุษรัตชายชาติอาชาในจะต้องได้ออกบวชมีชื่อเสียงโด่งดังกระชอนไปทั่วทุกทิศเมื่อโยมแม่คลอดเราออกมาในยามค่ำคือดึกสงัดเดือนมืดสนิท ในขณะที่ท่านกําลังนอนอยู่ฝ่ายนั้นไม่ทราบว่ามีอะไรมาดนจิตโดนใจของท่านให้เดินเข้าไปนั่งสมาธิในป่าช้าเพียงลําพังเราเป็นเด็กบิดามารดาก็สอนให้ทํางานง่ายๆขี่ควายออกไปเลี้ยงตามท้องทุ่งถอยเฝ้าดูไม่ให้มันไปเหยียบย่าพืชไร่ของชาวบ้านยามเย็นไล่ควายเข้าคอกก่อไฟเลี้อยู่ให้มันแล้วตักน้ํา ขามน้ำรถสวนผักสวนพริกสวนยาสูบตามท้องไร่ท้องนามีธรรมชาติดาดดืนยิ่งในปลายฝนต้นหนาวตั้งแต่เดือนยี่เรื่อยไปจนถึงเดือนสามดอกไม้ป่าบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วในยามเย็นเราและเพื่อนที่กำลังไล่ควายกลับบ้านต้องพากันแวะปีนโน้มหว้าหักเอากิ่งที่มีดอกบานสะพรั่ง ถือติดไม้ติดมือกลับบ้านมาคนละจริงสองจริงเพื่อนำไปให้บิดามารดาได้บูชาพระในตอนเย็นและถวายพระในตอนเช้าเรามีนิสัยในบุญกุศลเสมอนี่คงเป็นเพราะกรรมดีที่เคยทำไว้ในชาติปางก่อนในขณะที่เราเป็นเด็กน้อยอยู่นั้นเมื่อนอนหลับลงไปจิตมันจะดิ่งลงดิ่งลงเหมือนคนตกหิวลึก แล้วปรากฏนิมิตเห็นซากศพเห็นคนนอนตายทับถมกันเหมือนกองภูเขาหน่าขยะขย้งหน่าสะพึงกลัวเป็นที่สุดจิตแสดงนิมิตให้เห็นเป็นอาการต่างๆเห็นร่างตัวเองเที่ยวเกิดเที่ยวตายในบางครั้งภาพนิมิตเหล่านั้นก็แสดงอาการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปจึงมักจะตื่นขึ้นในเวลากลางดึกบิดามารดา ก็มาโอ้อโลมขับกล่อมจึงนอนหลับต่อไปได้อีกเราจึงมาพิจารณาได้ตอนหลังที่ได้ออกปฏิบัติธรรมรู้เรื่องของจิตใจแล้วว่านี่มันเป็นเรื่องของสมาธิทางลุ่นเป็นสมาธิที่มีความรู้แต่สติตามไม่ทันเราค่อนข้างจะเป็นคนโชคดีมากคนหนึ่งที่มีบิดามารดามีสายตากว้างไกลสนับสนุนในการเรียนสม่าเสมอ และโชคดีที่หมู่บ้านขามป้อมมีโรงเรียนอยู่ในวัดซึ่งหมู่บ้านอื่นเขาไม่มีการเรียนก็ใช้ศาลาวัดเป็นที่เรียนศาลาโล่งแจ้งไม่มีฝากั่ามองไปได้ไกลสุดสายตามองเห็นทุ่งนาเขียวขจีเสียงกระดิ่งของวัวควายที่เลาะเลมหญ้าเป็นเสมือนเสียงเพลงขับกล่อมให้เด็กๆได้สนุกสนานในท้องนาป่าและน้ำ ถึงยามฝนฝนก็ศาสตร์ถึงยามหนาวก็หนาวอย่างถึงใจถึงยามร้อนก็ร้อนจัดแสงแดดระยิบระยับการเรียนเริ่มเรียนตั้งแต่ชั้นมูลกอขอประถมกอกาจนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนคือชั้นประถมสี่เราเป็นเด็กที่ขาดตาขาวเป็นจอมกลัวผีหลอกแม้กลางวันแสกๆบิดามารดาใช้ให้เข้าไปเอาเข้าวกล่องที่บ้าน ก็ไม่กล้าเข้าไปเอากลัวผีหลอกเราอายุเจ็ดถึงแปปีบิดามารดาพาไปวัดปังเทศปังธรรมเมื่อเข้าวัดกราบพระปังเทศปังธรรมแล้วกลับไปนอนที่บ้านก็อนอนหลับฝันดีฝันเห็นพระพุทธเจ้าอยู่เสมอท่านบิดามารดาเห็นอุปนิสัยของเราโน้มเอียงไปในทางธรรมะเช่นนั้นจึงให้บวชเป็นสามเณรที่วัดบ้านขามป้อม โดยมีท่านพระครูโพธาพิทักษ์วัดโพธารามเป็นพระอุปชาหลังจากบวชแล้วพระท่านสอนให้พิจรารณาแผ่เมตตาความเป็นคนขี้กลัวที่มีมาแต่เดิมได้หายไปหมดสิน้นในขณะที่เป็นสามเณรอยู่นั้นพวกพระบางรูปพากันทำเหรียญปลอมตำรวจจึงมาไล่จับพระเนรพากันริ่งหนีหัวซุกหัวซุนเราเองไม่ได้ร่วมทากับเขา ได้แต่ยืนหัวร้ออยู่เพราะว่าเราไม่มีนิสัยในทางหลอกลวงคนอื่นนิสัยของเราเป็นคนไม่ยอมใครง่ายๆมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแม้แต่เวลาเล่นในวัยเด็กถึงจะเป็นการเล่นแต่ก็ต้องการเอาชนะให้ได้เสมอเวลาเล่นตามปราษาเด็กๆจะต้องเล่นเป็นพระเอาผ้าเวียงบ่าเหมือนพระห่มจีวรนั่งบนตังหรือเตียงแล้วจะให้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆ แต่งขันหมากเบ่งยกมาถวายแสดงสมมาคารวะถ้าไม่ทำมาเราจะแกล้งร้องห่มร้องไห้ลุงปุษยีท่านเล่าอย่างอารมณ์ดีตอบย้ำว่าโอ้ยแต่ก่อนเรามันไม่ยอมใครง่ายๆนะเราเนี่ยเมื่อเรียนจบประถมศึกษาปีที่สี่แล้วปิดามาันดาได้ดำเราไปฝากไว้ที่บ้านคุณครูประจบประจีรณะในอำเภอวาปีประทุม เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อชั้นประถม5และประถม6ก่อนไปคุณตากัญชาได้สั่งสอนไว้ว่าการไปอยู่กับคนอื่นเขามีสิทธิ์ว่ากล่าวคมเราจงภาคเพียรเรียนวิชาชีวิตที่ลำบากในเบื้องต้นมักจะได้ผลดีในบั้นปลายในปีพุทธศักราช2478เราได้เข้าไปรับการศึกษาต่อ มัธยมปีที่หนึ่งสองและสที่โรงเรียนสารคามพิทยาคมจังหวัดมหาสารคามเมื่อเรียนจบสอบเป็นครูได้แล้วเราเป็นครูน้อยแต่มากไปด้วยอุดมการไม่ชอบให้ครูใหญ่มาบงการในสิ่งที่ไม่ชอบทำเป็นครูหนุ่มเลือดร้อนเป็นคนระหำ่ำจึงตัดสินใจลาออกจากราชการครูในปีพุทธศักราช2483ทำให้บีดามานดา เสียใจเป็นอย่างยิ่งด้วยความที่เราเป็นผู้ทรนงในศักดิ์ศรีความคิดจึงทอดยาวไกลไปข้างหน้าปรารถนาที่จะศึกษาต่อให้มีความรู้สูงขึ้นคิดว่าการที่เราจะเข้าไปเรียนต่อที่กรุงเทพคงจะเป็นการดีจึงเข้าไปลาท่านบิดามารดาคิดว่าเงินที่มีนิดหน่อยคงพอจะไปสแสวงโชคข้างหน้าได้ เมื่อเดินทางไปถึงโคราชเือนั่งคิดถึงเรื่องราวของชีวิตที่ผ่านพ้นมาคิดถึงบิดามารดาผู้เคยถนอมเลี้ยงจึงตัดสินใจขึ้นรถหวนกลับบ้านขามป้อมอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ตั้งความหวังไว้ว่าจะทำให้ท่านบิดามารดาแช่มชื่นจิตใจสมกับที่ท่านรักมาพักอยู่ที่บ้านได้ไม่นานนักจึงเดินทางไปสอบบรรจุครูที่จังหวัดร้อเอ็ด เรานี้เราสอบได้เป็นที่หนึ่งในจำนวนคนที่เข้าสอบ 40-50 คนอัตราเงินเดือนเดิมที่เคยได้8บาทกลับเพิ่มเป็น12บาทเป็นธรรมดาของครูในสมัยนั้นไปที่ไหนมักมีแต่คนเคารพนับถือยิ่งเรื่องหญิงสาวด้วยแล้วเห็นครูผู้ชายมักจะชอบแอบมองแต่โดยที่สุดแล้วก็ปลงใจในความรัก กับนางสาวสอนแสนยมูลอายุ22ปีซึ่งเป็นลูกสาวของนายสุธรมรมาแสนยมูลและนางล่าแสนยมูลนายสุธรมรมาเป็นนายห้อยที่มีชื่อเสียงมีที่ดินมากมีควาย4ี่สตัวการแต่งงานนั้นบิดามารดาและญาติพี่น้องทั้งสองฝ่ายเป็นคนจัด ก, การเรียกว่าจับขม่อมจอมขวัญสินสอด ที่นำไปแต่งเจ้าสาวเป็นเงินสิบสองบาทแต่งงานแล้วก็สร้างบ้านสร้างเรือนติดกับบ้านพ่อตาตามประษาบแบบโลกทั่วไปสุขบ้างทุกบ้างอดบ้างอิ่มบ้างจนได้บุตรสืบสกุลสี่คนเป็นชายหนึ่งหญิงสามหลวงปู่รีมหาวีโรได้เล่าชี้ว่าประวัติต่อไปอย่างน่าสนใจว่าการที่เรามีชีวิตเป็นอยู่เช่นนี้ และได้ดีมีชื่อเสียงเป็นครูบาอาจารย์มีคนเคารพนับถือส่วนหนึ่งที่สำคัญยิ่งคือบิดามารดาก่อนที่มารดาท่านจะตายได้สั่งเสียเป็นเชิงอ้อนวอนรำพึงรำพันว่าสีเอยแม่อยากให้ลูกบวชให้สักสิบวันสิบห้าวันพอให้แม่ได้พึ่งบุญพึ่งกุศลจะได้ไปดีไปสวรรค์ เหมือนอย่างพ่อแม่คนอื่นที่ลูกเขาบวชให้เมื่อจบคำสั่งเสียของแม่แล้วเราน้ำตาร่วงหัวใจเหมือนจะหลุดหล่นหายไปต่อหน้าต่อตาซึ่งในน้ำใจของท่านที่รักเรายิ่งนักจึงรีบรับปากแม่ว่าจะบวชให้อย่างแน่นอนจากนั้นอีกไม่กี่วันท่านก็สิ้นใจตายน้ำตาเราที่ไหล จากใจที่สูญเสียช่างจดช่างจำไม่มีวันลืมเลือนสัจวาจาที่ว่าจะบวชจะบวชนี้ตามกระตุ้นเตือนหลอกหลอนเราอยู่ทุกวี่ทุกวันนึกถึงภาพที่แม่ใจขาดตายกับความหวังที่แม่ฝากไว้จึงหมายใจว่าเราจะต้องสละการบ้านการเรือนออกบวชให้ได้สักวันหนึ่งข้างหน้าอย่างแน่นอนแมในขณะนั้นชาติบ้านเมือง ยังคุกรุนอยู่ในภาวะสงครามกำลังขาดครูและกำลังทหารแต่คำสั่งเสียของแม่ถึงการบรรพชาอุปสมบทก็เร่งเร้าอยู่ข้างในบางวันนอนน้ำตาไหลห น, นึกไปว่าเมื่อไหร่หนอเราจะสลัดคว า, ามอาลัยออกได้แล้วบวชให้แม่สักทีนี้เราก็อายุ29ปีแล้วควรจะหาโอกาสบวช พระพุทธเจา้าพระองค์ก็ออกบวชเมื่อคราวพระชนมายุย9ปีพระองค์สละบตรภรรยาทรัพสมบัติอันมหาศาลส่วนเราบวชเพื่อทดแทนบุญคุณเข้าป้อนจะไม่ได้เชวหรือเมื่อตัดสินใจเด็ดขาดได้แล้วจึงบอกภรรยาอันเป็นที่รักว่าในชีวิตหนึ่งอยากจะขอบวชเข้าพรรษาสักครั้งภรรยา ก็ยินดีอนุโมทนาด้วยไม่ขัดข้องด้วยอุปนิสัยแห่งสาวกบรมิยานมากระตุ้นเตือนประกอบกับด้วยความศรัทธาในพระศาสนาเป็นอย่างยิ่งจึงได้เข้าบรรพชาอุปสมบทที่วัดราชรังสร์บ้านป่ายางตำบลขอนแจ่นอําเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดในวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2 4 8 8 เวลาเก้านโดยมีพระโพธิญาณมุนีคํโพธิญานโนเป็นพระอุปชาพระครูสิริธรรมธาดาเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระครูสมุพันธ์เป็นพระอนุสาวนาจารย์ไดฉายานามว่ามหาวีโรแปลความหมายว่าผู้มีความหานกล้ามากผู้สามารถบุกเข้าไปทำลายกิเลสได้เมื่อบวชแล้ว เราก็เที่ยวสืบเสาะแสวงหาครูบาอาจารย์ผู้งานพร้อมด้วยวัตถปฏิบัติจึงได้ทราบข่าวว่าท่านพระอาจารย์คูลธรรมุตโมซึ่งเป็นศิษฐ์ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเป็นผู้มีภูมิจิตภูมิธรรมท่านได้ทุดงจาริกมาพักอยู่ที่เสนาสนะป่าภูริภัยบู์ที่จังหวัดมหาสารคามตามคาสั่งของท่านพระอาจารย์สิงคันตยาคโมเพื่อเผยแผ่หลักธรรม และหลักปฏิบัติของพระคณะกรรมฐานเราจึงรีบเข้าไปกราบท่านท่านได้สอนว่าท่านสีขอให้ท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัติพระนิพพานมีอยู่ไม่ไกลขอเพียงท่านไม่อาลัยเสียดายทุ่มเทชีวิต จ, จิตใจถวายเป็นพุทธบูชาเบื้องต้นขอให้ท่านฝึกสติด้วยการบริกรรมภาวนาว่าพุทโธเอาพุทโธควบคุมจิต ระวังจิตและอารมณ์ต่างๆที่เกิดกับจิตโดยระวังอารมณ์หรือสัมผัสภายนอกไม่ปล่อยให้มายุ่งมาสร้างภาพฝันภาพลวงกับอารมณ์ภายในให้เอาสติเป็นตัวนําทางควบคุมจิตและพระอาจารย์คูนยกหัวข้อธรรมที่ได้ยินได้ฟังมาจากท่านพระอาจารย์มั่นว่าพระอรหันต์ไม่ได้ผุดขึ้นมาจากไหนก็มาจากหัวใจของปุถุชน มาจากราคะโทสะโมหะถ้าหากใจของปุต้ตชนนั้นพยายามบากบั่นปรกปรือตนให้เดินตามมักคาสัมมาปฏิบัติพระอระหันต์ก็มาจากที่นั่นกลั่นกรองมาจากที่นั่นเหมือนดอกบัวมาจากขี้ตมขี้โครเเน่เเน่เหม็นเมนแต่พอพ้นน้ำรับแสงพระอาทิตย์แย้มบานเต็มที่มีสง่าราศีใครก็อยากได้อยากชมเมื่อเราได้ฟังดังนั้น จึงเกิดศรัทธาตั้งใจไว้ว่าจะปฏิบัติแบบถวายชีวิตในพรรษาแรกก็เร่งความเพียรอดนอนผ่อนอาหารจากวันละสามสิบคำเหลือยี่สิบคำและสิบคำนั่งสมาธิได้ตลอดคืนยันรุ่งจิตสงบสว่างเกิดความศรัทธาอย่างมั่นคงในพระพุทธเจา้าพระอริยเจ้าและท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตความคิดที่ว่า จะบวชเพียงชั่วคราวได้หายไปสิ้นจิตได้หมุนกลับควงกระแสโลกเสียแล้วจึงดำริภายในใจว่าลูกเมียที่อยู่เบื้องหลังเป็นเพียงพกชาติหนึ่งในหลายพกชาติที่เคยเกิดตายเอาเถอะเราจะหล่อเลี้ยงเขาด้วยอัดด้วยธทรรมด้วยคุณความดีซึ่งจะเป็นสเสบียงทางที่ยาวไกลไม่ได้กินอิ่มแต่เพียงชาตินี้ชาติเดียวจะพึ่งกินอิ่ม ในพบชาติอื่นอีกต่อไปจึงรำพันกับตัวเองว่าลูกเอ๋ยเมียเอ๋ยพ่อนี้ปรารถนาเป็นพระสาวกอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้พวกเจ้าจงพากันอนุโมทนาเถิดการปฏิบัติที่สำนักสงฟูภูนไพบู์ก็ราบรื่นสมาธิดีแต่การที่อยู่ใกล้ครอบครัวก็ยอมีความกังวลจึงตัดสินใจลาพระอาจารย์คู เดินทางไปหาท่านพระจานทร์สิงขันตยาคโมที่เสนาสนัป่าแสนสําราญจังหวัดอุบลเพราะท่านเป็นผู้ปฏิบัติเคร่งครัดในพระธรรมวินัยมากเสมือนองค์แทนของท่านพระจานทร์มั่นภูริทัตโตเราได้พำนักอยู่กับพระจานทรย์สิงห์เป็นเวลาสามเดือนท่านก็ได้เดินทางไปยังวัดป่าสารวัตรโคราชเราจึงออกทุดงต่อไปยังถ้ำพระเวทอำเภอนาแจจังหวัดคนครพนมในคราวนั้น เป็นไปแบบหัวล้านเกินครูเกือบจะเป็นสัญญาวิปลาสเราไม่นอนทั้งวันทั้งคืนสอนตนเองว่าถ้าจะมามมวเมาเห็นความสุขในการกินการนอนเราจะอยู่ไม่ได้เราต้องอยู่กับความภาคเพียรภาวนามีสติมีความกล้าหาญเด็ดเดียวมีศรัทธาเชื่อมั่นในคําสอนของพระพุทธองค์อย่างเดียวเราอยู่ที่นั้นเพียงลาพังอาศัยสัตว์ป่า มีเสือเป็นต้นเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายการปฏิบัติอย่างหนักจิตเกิดแสงสว่างเป็นเหมือนดวงตะวันสว่างจ้าในเวลากลางคืนเมื่อพิจารณาถึงผู้คนก็ไม่เหมือนผู้คนเกิดความสร ด, ดสังเวชสุดประมาณจนกระทั่งน้าตาร่วงร้องไห้คิดว่าไม่มีใครสอนเราได้นอกจากตัวเราเองเราได้ปฏิบัติธรรมที่ทำพระเวทเป็นเวลานานพอสมควร ได้ป่วยเป็นไข้มาลาเรียอย่างหนักและระดูเข้าพรรษาก็ใกล้เข้ามาแล้วจึงลงจากถ้ำไปจำพรรษาที่วัดบ้านนาแจน้อยอำเภอนาแจจังหวัดนครพนมจนกระทั่งออกพรรษาจึงได้จาริกไปในเขตต่างๆเช่นสกลนครนครพนมและอุดรธานีเพื่อเดินตามรอยธรรมของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต ในปีพุทธศักราช2491พันศาที่สี่เราได้จำพรรษาอยู่ที่เสนาสนาป่าเป็นที่ทิ้งศพน น, นิเวศอําเภอเมืองจังหวัดอุดอรธานีเสนาสนาป่าแห่งนี้ท่านพระจารย์มั่นได้เคยมาพักจำพรรษามีพระรูปหนึ่งซึ่งเป็นสิทธิกรรมฐานของท่านพระจารย์มั่นเล่าให้ฟังว่าในคราวที่ท่านพระจารย์มั่น พักอยู่ที่เสนาสนะป่าโนนิเวศนี้สิทติตามอุปถาก ค, คือพระอาจารย์เกียะจุนโดการแสดงธรรมของท่านพระอาจารย์มั่นห้าถึงหวันท่านจะแสดงธรรมครั้งหนึ่งศิทธิสายกรรมฐานเช่นพระอาจารย์เทศเทศรังศีพระอาจารย์ขาวอนารโยพระอาจารย์อ่อนญาณัสสริพระธรรมเจดีจุ่มพันธุโลพระอาจารย์หลุยจันทสาโรเป็นต้นลงจากป่าจากเขามารับฟัง มทุรถแห่งธรรมด้วยความหิวกระหายในธรรมโมชาปัญญาประหนึ่งว่าปลาขาดน้ำเมื่อฝนตกลงมาฉลมรถปลานั้นจะดีใจและลิงโลดสักปานใดท่านสีเอ้ยพระรูปนั้นกล่าวขึ้นเพราะมีในตาวาวด้วยตีติท่านพระจารย์มัน่นท่านมักมีปกติแสดงธรรมเรื่องจิตล้วนๆเช่นว่าปัญญากับสติ ให้รู้เท่าทันกันทำจิตให้เสมออย่าขึ้นอย่าลงอย่าไปอย่ามาให้รู้เฉพาะปกติของจิตให้เห็นอยู่กับปัจจุบันธรรมอย่าส่งจิตไปอดีตอนาคตธาตุแปดมืนสี่พันธาตุออกมาจากจิตทั้งหมดให้เอากายวาจาใจนี้ยกขึ้นมาพิจารณาอย่าเพิ่มอย่าเอาออกให้เห็นเป็นปกติเมื่อใดก็ตามที่เราส่งจิตออกทางข้างนอก เป็นนิจฉาทิฏฐิการรู้เห็นอยู่ในกายและจิตเป็นสัมมาทิฏฐิการแก้จิตใจให้แก้ปัจจุบันเมื่อแจ้ปัจจุบันได้แล้วพบทั้งสามนั้นหลุดออกไปหมดไม่ต้องส่งใจไปในอดีตอนาคตให้ลบอารมณ์ภายนอกออกให้หมดจึงจะเข้าอารมณ์ภายในได้เพ่งนอเป็นตัวสมุทัยเป็นทุกข์และเป็นตัวมิจฉาทิฏฐิเพ่งในเป็นตัวสัมมาทิฏฐิ อยากเป็นนักปฏิบัติต้องเด็ดเดี่ยวกล้าหาญที่สุดจึงจะรู้ธรรมเห็นธรรมนี่แหละคือหัวข้อธรรมย่นยอ่อที่ท่านพระอาจารย์มั่นแสดงช่างไปรอจับใจไม่รู้ลืมปีพุทธศักราช2492พันศาที่หคิดว่าเราได้ท่องเที่ยววิเวกไปตามถ้ำตามผาตามป่าตามเขามามากต่อมากแล้วคงพอตัวแล้วจึงตัดสินใจ เดินทางไปยังวัดบ้านหนองผืออําเภอพันานานิคมจังหวัดสกลนครเพื่อเข้าไปกราบนมัสการฝากตัวเป็นสิทธิ์ใต้ร่มธรรมของท่านพระอาจารย์มั่นดังที่ไฝ่ผันมานานเมื่อแรกเข้าไปถึงท่านพระอาจารย์มั่นได้ถามว่าเคยได้ไปอยู่ตามภูตามเขาตามถ้าตามป่าคนเดียวหรือยังกราบเรียนตอบท่านไปว่าเคยไปอยู่บ้างครับเคยไปเที่ยวกับมาฐานที่ไหนบ้างละ่ะ ท่านถามเคยไปอยู่ภูเขานี้บ้างถ้านี้บ้างก็เคยไปอยู่บ้างแล้วครับกราบเรียนตอบท่านเออก็พอมีสติอยู่บ้างเนาะถ้าอยู่คนเดียวได้จะต้องเป็นผู้มีสตินะท่านพระอาจารย์มั่นพูดเสียงเน้นๆกังวาลในตากราดกล้านั่าเกรงขามเป็นที่ยิ่งส่วนทางเรานั้นแอบคิดในใจว่านี่ขนาดเรา ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างกล้าหาญนั่งสมาธิภาวานาเดินจงกรมตลอดคืนยันรุ่งไปอยู่คนเดียวเสือร้องอยู่ข้างๆก็ทำอยู่อย่างนั้นจนสุดแรงเกิดแทบล้มแทบตายแลแล้วท่านพระจารย์มั่นก็ให้โอวาสัมถายว่าผู้ที่จะมาศึกษาธรรมะ ก, กับเราจะเป็นพระหรือโยมก็ตามขอให้เก็บหอกเก็บดาบเอาไว้ที่บ้านไม่ต้องนาติดตัวมาด้วย คำพูดของท่านผู้เป็นจอมปราดพูดเพียงเท่านั้นเราจึงเป็นเหมือนหินห้อยกับแสงจันทร์เหมือนพญาช้างกับแมวน้อยน้ำในขันกับน้ำในมหาสมุทรฟ้ากับดินปัญญายาณของท่านจึงไม่มีประมาณทะลุทะลวงดวงใจของเราได้หมดต่อจากนั้นเมื่อได้ฟังธรรมะของท่านก็ยิ่งติดใจอยู่ไม่หายพยายามหาโอกาสประพฤติปฏิบัติอย่างเต็มที่เอาชีวิตเป็นเดิมพัน ขอมอบกายถวายชีวิตต่อท่านคิดว่าถ้าหากเราประพฤติปฏิบัติอย่างกล้าหาญเด็ดเดียวทุ่งเทกำลังอย่างเต็มที่แล้วจะต้องได้ดวงตาเห็นทำบ้างเพราะสิ่งเหล่านี้มันต้องขึ้นอยู่กับเหตุเมื่อมีเหตุก็ต้องมีผลเมื่อเหตุน้อยผลก็น้อยถ้าเหตุพอประมาณผลก็พอประมาณถ้าเหตุมากผลก็มากถ้าเหตุพิเศษผลก็ย่อมพิเศษ จึงตั้งสัจจะอธิฐานไว้ว่าจะเร่งความเพียรทั้งกลางวันกลางคืนขณะอยู่กับท่านพระจารย์มั่นนั้นได้ทาวัตถปฏิบัติต่อท่านด้วยการจับเส้นถวายตั้งแต่เวลาห้าทุ่มถึงตีสองปฏิบัติต่อท่านจริงๆเพื่อหวังความดีงามอยู่กับหมู่คณะมีหลวงปู่ล่าเขียมัปะโตและหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเป็นพระผู้ดูแลหมู่คณะอยู่ในครั้งกระนั้นในฤดูหนาว หลวงปู่มั่นท่านแก่เท่าแล้วร่างกายธาตุขันมีอาการอาภาษตด้วยโรคชราเมื่อท่านเดินจงกรมต้องรีบนำเตาไฟไปตั้งข้างทางเดินจงกรมเพื่อไล่ความเย็นเมื่อท่านกลับเข้าที่พักก็นำไปตั้งไว้ใต้ถุนกุฏิหนวปู่ล่าคอยเติมไฟส่วนทางเราตามขึ้นไปถวายการนวดเส้นจับเส้นบนกุฏิในบางครั้งท่านเล่าเรื่องธรรมะให้ฟังว่าสติท่านไม่เผลอเลย ไม่เผลอทั้งกลางวันกลางคืนทั้งหลับและตื่นเราฟังแล้วก็อดที่จะอัศจรรย์ใจไม่ได้อยากปฏิบัติให้ได้อย่างท่านบ้างเมื่อเราคิดอย่างนั้นบางทีท่านก็กระแอมเหมือนบอกให้รู้ว่าอย่าคิดอย่างนั้นนะท่านสีธรรมะจะไม่เกิดขึ้นด้วยการคิดด้นดาวเอาธรรมะต้องเกิดขึ้นด้วยการลงมือทาด้วยตัวของเราเองเท่านั้นเมื่อท่านกระแอมสกิ ห้ามไม่ให้เราคิดอย่างนั้นเรายิ่งอัศจรรย์ใจคิดฟุ้งไปแบบเลยเถิดเกินที่ท่านจะกระแอมมาสะกิตให้หยุดคิดได้อีกนี่แหละหนอะปุถุชนกับพระอริยเจ้าช่างต่างกันราวฟ้ากับดินเสียจริงๆหลวงปู่มั่นท่านสอนเราว่าถ้าพูดให้มันฟังมันไม่เชื่อเชื่ออยู่แต่หากไม่ทําถ้าเชื่อต่อธรรมะคําสอนจริงๆมันต้องทําได้สิ แต่นี่มันฟังเล่นเฉยๆมันไม่เห็นคุณค่าของพระศาสนาไม่เห็นคุณค่าของธรรมะบางครั้งท่านเล่าว่าท่านไปอยู่บนเขาป่วยหนักยิ่งป่วยท่านยิ่งนั่งสมาธินั่งจนกระทั่งล้มลงล้มลงท่านลุกขึ้นมานั่งใหม่นั่งจนกระทั่งจิตสว่างจ้าเสียงภาษาสัตว์ใรรู้จักหมดท่านสอนไว้อีกว่าจิตใจคนเราก็เหมือนลิงติดตัง ลิงอยากไปจับต่างเหนียวจับแล้วอย่างเหนียวมันก็ย่อมติดมือติดมือแล้วก็เอามาติดตาพอติดตาแล้วมองไม่เห็นไปไหนก็ไม่ได้แล้วจะไปตำหนิใครตัวทำตัวเองทั้งนั้นตัวเองฆ่าตัวเองตัวเองทำลายตัวเองติคนอื่นไม่ได้หรืออย่างเกิดมารูปพันสันฐานไม่สวยหรือเป็นง่อยเปลี้ยเสียขามันเป็นกรรมเวรของเราทำเองทั้งนั้นท่านบอกต่อไปอีกว่า ท่านฟังเทศอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าอายตนะทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายและใจมันรับรู้อยู่ตลอดเวลามีแต่เขามาแสดงทำให้ฟังยามเราป่วยไข้ไม่สบายท่านมาสอนด้วยความเมตตาว่าใจดวงนี้สำคัญมากนะเอาชนะใจไม่ใช่ขอ ง, ง่ายนะโรคภัยไข้เจ็บเข้ามากับใจที่หมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายนั่นแหละไม่อยากให้มีโรค ก็เอาชนะกิเลสที่อยู่กับใจต้องฝึกขัดทรมานอย่างหนักถึงค่อยจะรู้เรื่องของจิตใจใครก็ฝึกขัดได้ทุกคนนั่นแหละเมื่อท่านพระอาจารย์มั่นป่วยในระยะสุดท้ายปลายปีพุทธศักราช2492ท่านให้หามองค์ท่านไปนิพพานที่วัดป่าสุทาวาสจังหวัดสกลนครในระหว่างทางแวะพักค้างคืนที่วัดกลางนนผู้ท่านได้ให้อวาแจประชาชนที่มากราบไหว้ว่า พวกญาติโยมที่พากันมามากๆมาดูพระผู้เฒ่าป่วยหรือดูหน้าดูตาก็เป็นอย่างนี้ละญาติโยมเอ๋ยไม่ว่าพระหรือคนสุดท้ายก็คือตายหัวหนึ่งแขนสองขาสองความเกิดแก่เจ็บตายที่แท้เป็นตัวทำรรได้มาเห็นอย่างนี้แล้วจงพาการนำไปพิจารณาเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายก่อนจะตายทานยังไม่ให้ก็ให้ฐานเสีย ศีลไม่เคยรักษาก็รักษาเสียภาวนายังไม่เคยเจริญก็เจริญเสียทําให้มันพออย่าประมาทจะไม่เสียทีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนานั่นละ่ะจึงจะไม่เสียทีเสียท่าที่เกิดมาเป็นคนเท่านี้ละ่ะพูดมากก็เหนื่อยรเราได้ฟังดังนั้นแล้วก็สุดที่จะอดกลั้นน้ําตาไว้ได้หลังจากนั้นท่านก็มาดับขันทวิบากเข้าสู่อนุ ป, ปาที่เสสนิพาน ณวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครในวันที่สิพฤศจิกายนพุทธศักราช2492เวลาตีสองนาทีเมื่อถวายเพลิงศพท่านผ่านไปแล้วพระกรรมฐานที่มีหลักใจมั่นคงก็ปลองอนิจจังตามหลักสามัญญาตาส่วนพระกรรมฐานที่ขาดหลักใจเป็นเรื่องยากที่จะโปรงใจเช่นนั้นได้ยังอยู่ในภาวะรัศมีส า, ายกระวนกระวาย อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนต่างก็สมสารแตเ่เจตกายระหงประเหินระเฮ่ร่อยร่อนไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นและจบลงในทิศทางใดเหมือนปุยนุ่นอยู่บนอากาศไม่ทราบว่าจะปลิวว่นไปตามกระแสลมในทิศทางใดเหมือนเด็กน้อยไร้ญาติที่พ่อแม่เพิ่งตายจากไปได้ไม่นานนักจะเอาความรู้ความสามารถที่ไหนมาปกครองตนเองได้ส่วนทางเรา เดินทุดรองรอนแรมอยู่ตามเทือกเขาภูพานหาที่สงบสงัดรักษาโรคใจอยู่เพียงลำพังเทือกเขาภูพานนี้เป็นสถานที่น่ารื่นรมในธรรมเมื่อคิดถึงท่านพระอาจารย์มั่นขึ้นมาคราใดก็ได้แต่รำพึงรำพันภายในใจว่าท่านหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่มั่นนิพพานแล้วกิเลสก็ยังมีอยู่ภายใน จ, ใจิตใจปัญหาธรรมที่มีใครหนอจะช่วยแก้ไขใครหนอจะช่วยตอบช่วยสอน ครหนอจะช่วยดุช่วยด่าช่วยปราบช่วยปรามบุคคลที่น่าเกรงขามและทรงคุณธรรมอย่างท่านที่ปราบปรามใจดวงทคกือขนองของเราให้หายพยศลงได้คงหาได้ยากยิ่งนักแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นคำสอนสั่งของท่านนั้นก็คือให้รักษาเอาแต่ผู้รู้ภายใน จ, ใจิตใจทำใจตนให้พ้นจากความวุ่นวายปิดตาปิดหูไม่ใส่ใจใครไม่ฟังใครใครจะว่าอะไรก็ว่าไป ปล่อยวางจากเรื่องนอกทั้งหมดเราก็จับเอาแต่หลักอันนี้มาประพฤติปฏิบัติเสมอมาในปีพุทธศักราช2493พันศาที่6เราได้จำพรรษาที่เสนาสนะป่าบ้านน้องผักตบตำบลปลาไหลอําเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครในพรรษานี้เราได้ป่วยเป็นโรคเน็ดชาอย่างหนักแทบจะไม่รู้สึกเจ็บปวดเอาเมยิกก็ไม่รู้สึกเลยมันด้านชาไปเสียหมด จึงคิดได้ว่าเอายาที่ไหนมารักษามันก็คงไม่หายเอายาที่เราหาอยู่ทุกวันนั้นก็คือยาธรรมโอสถปฏิบัติแบบสละชีวิตเป็นเวลาไม่นานนักเพียงสาวันสามคืนเร่งสติสมาธิเข้าอย่างเต็มที่พิจารณาทุกส่วนของร่างกายจนละเอียดถี่ถ้วนเลือดลมที่ขาดหายไปก็กลับไหลเวียนผ่านส่นต่างๆของร่างกายโดยสะดวก โรคเน็บชาที่ว่าร้ายๆกลับหายเป็นปิดทิ้งจนถึงทุกวันนี้ปลายปีพุทธศักราช2493ถึงปีพุทธศักราช2494ภันศาที่เจ็เราได้ติดตามท่านพระอาจารย์มหาบุญญาณสัมปันโนสุดงท่องเที่ยวกรรมฐ า, านเดินทั้งวันยันค่ำเราสะพายบาทให้ท่านแม้ลำบากแต่ก็เต็มใจเพราะคิดว่าเรามาสู้สงครามสงครามโลก แต่ไม่ใช่โลกข้างนอกโลกในตัวเราขันธโลกโลกคือขันห้าได้อยู่จำพรรษาหนึ่งพรรษากับท่านที่บ้านห้วยทรายอําเภอคำาชอีจังหวัดมุกดาหารท่านพระอาจารย์มหาบัวท่านอยู่ในวัยหนุ่มร่างกายแข็งแรงปราดเปรียวทำความเพียรเป็นแบบอย่างในทุกอิริยาบถเป็นที่พึ่องอันมั่นคงของพระเนนสมกับคาสั่งที่ท่านพระอาจารย์มั่นกล่าวไว้ก่อนปีที่ท่านจะนิพพานว่า เมื่อเราตายให้หมู่เพื่อนพึ่งมหาบัวพระกรรมฐานยุคห้วยทรายมีท่านเป็นผู้นำท่านตีและเข็นพระเนนโดยไม่เห็นแก่หน้ากริยาแห่งความเพียรเหมือนว่าจะสิ้นเจลียดกันในวันนี้พรุ่งนี้เราอยู่ที่ห้วยทรายป่วยเป็นไข้ามาลาเรียอย่างหนักเป็นเวลาถึงยี่บสองเดือนและแทบเอาชีวิตไม่รอดสลบสไลด์ไปนานถึงสาวันสามคืนได้อาศัยหลวงปู่มหาบุญมีสิริธโร เป็นผู้รักษาจึงหายขาดจากโรคนั้นเป็นที่น่าอัศจรรย์หายป่วยแล้วจึงตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งวันทั้งคืนตั้งสัจจะไว้ว่าถ้านกแซงแซวยังไม่ร้องก็จะไม่ลุกจากอาสนะและไม่เปลี่ยนอิริยาบทปฏิบัติอย่างเข้มงวดเป็นเวลา22คืนคือจากตะวันตกดินจนอรุณรุ่งขึ้นมาใหม่บางครั้ง นั่งไม่ลุกถึงหกวันหกคืนพิจารณาอริยสัจด้วยปัญญาจิตเกิดแสงสว่างเป็นที่น่าอัศ จ, จรรย์หลังจากออกพรรษาแล้วจึงทุดงผ่านทางจังหวัดกาฬสินธุ์มุกดาหารและร้อยเอ็ดผ่านลำห้วยวังนองห้วยพูงใหญ่ห้วยเดือผูเขาหินเหล็กไฟผูเจาก้อผูถ้ำปล่องผูถ้ำเม่นและหูเขาผา้ําย้อยที่เขาผา้ําย้อยนี้เอง เป็นที่สัปปายะเหมาะแจกการเจริญสมณธรรมตามสมณวิสัยที่เพื่อเขาแห่งนี้เรามักได้อุบายธรรมแปลกประหาดอัจันยอยู่เสมอการพิจารณาธรรมต่างๆคล่องตัวไม่เป็นที่ติดขัดอากาศก็เบาสบายสงัดกายสงัดจิตจากอุปธิสภกิเลส ท, ที่มาก่อบวนรุมเร้าจิตใจบางครั้งบางคืนปรากฏว่ามีพระสาวกอรหรัน มาแสดงทำให้ฟังตามอริยประเพณีโดยปรากฏทางสมาธินิมิตที่เขาผาน้ำย้อยยังมีพวกกายทิพเทพพรมอันเป็นภพภูมิเบื้องบนมาปรากฏให้เห็นอยู่เสมอบางท่านมาขอฟังธรรมบางท่านมาแสดงฤทธิ์ให้เห็นประจักษ์ถึงบุญญาพินิหารและบางท่านแสดงการอุบัติและวิบัติแห่งเทพพยายดาบางครั้ง ภพภูมิเบื้องต่ำมีพูดผีสัตว์นรกชั้นนิรยภภูมิประเอ็ดอสุรกายเป็นต้นก็มาปรากฏให้เห็นด้วยการแสดงผลแห่งกรรมชั่วอันเผ็ดร้อนให้ปรากฏสเสวยทุกขเวทนาอันร้ายกาศผ่านปีเดือนอันยาวนานเห็นแล้วทำให้เข็ดหลาบในการทำความชั่วอยากขยันมันสร้างคุณ ง, งามความดีในปีพุทธศักราช2495พรรษาที่8 เราได้จำพรรษาและสร้างเสนาสนะป่าหนองแสงตำบลห น, นองบัวบานอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีร่วมกับหลวงปู่บัวสิริปุนโนตามที่ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีนิมนต์ปีพุทธศักราช2496ถึง2498พรรษาที่9ถึง11จำพรรษาที่เสนาสนะป่ากลุงร้างบ้านสีสมเด็จตำบลโพทองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด ตามคำนิมนต์ของชาวบ้านที่ศรัทธาลื่มใสเมื่อออกพรรษาแล้วปลายปีพุทธศักราช2498 24ถึง2499ยึงออกเที่ยววีเวกหาที่สงบสงัดตามภูผาป่าเขาถ้ำเนื้มผาป่าช้าป่ารกชัดในครั้งนี้ไะเที่ยวทุดงไปที่ภูเขาเคฆาเขาางตะเ n ้เขาจอมทองอําเภอคอนุรีจังหวัดนครราชสีมา หลังจากนั้นได้เข้าจำพรรษาที่วัดป่าหนองใต้ตำบลขามป้อมอำเภอวาปีประทุมจังหวัดมหาสารคามสาเหตุเพื่อสนทนาธรรมกับพระหลวงพ่ออ่อนสีซึ่งเป็นบิดาในเรื่องวัตปฏิบัติและธรรมอันลึกซึ้งเพื่อสนองคุณท่านซึ่งเป็นผู้บังเกิดกล้าวในปีพุทธศักราช2500ถึง2504ได้เข้าจำพรรษาที่วัดป่าสามคคีธรรม บ้านขามเท่าอเภอเมืองจัังหวดนครพนมตามคำนิมนต์ของกำนันพรมมารังสีและชาวบ้านขามเท้าณที่แห่งนี้ท่านได้ปราบคนที่เป็นมิจฉาทิฐิให้หันหน้าเข้ามานอบน้อมต่อพระธนตรัยเป็นจำนวนมากในปีพุทธ ศ, ศักราช2505ถึง2506จำพรรษาที่วัดป่าศรีสมพรบ้านน้อยหนองเข็มอ เ, อเมืองจงนครพนม เมื่อออกพรรษาปีพุทธศักราช2506แล้วพิจารณาว่าจิตใจได้เสื่อมถอยลงอย่างเห็นได้ชัดได้รับความทุกข์อยู่เต็มหัวใจควรที่เราจะเปลีกวิเวกเพื่อให้ห่างไกลจากผู้คนได้คำนึงถึงคำสอนของท่านพระอาจารย์มั่นผู้เป็นเจ้าชีวิตจิตใจมากระตุ้นเตือนให้เกิดกำลังใจว่าอย่าส่งจิตออกไปข้างนอกอย่าส่งไปอดีตอย่าส่งไปอนาคต การสร้างบารมีต้องมีร้องไห้มีน้ำตานองหน้าเหมือนกับป่าช้าที่เยือกเย็นพระทิพานมันอยู่เหนือตายต้องกัดเล็กกัดขางใจกล้าที่สุดจึงจะถึงมักถึงผลจึงย้อนนึกถึงสมัยพุทธกาลที่พระโคทิกะท่านจิตเสื่อมจากสมาธิและฌานถึงขนาดว่าฆ่าตัวตายก็เคยมีมาแล้วนอกจากท่านพระอาจารย์มั่นแล้วใครหนอจะพอช่วยเราได้บ้าง ถึงเดินทางไปหา ห, าหลวงปู่บัวสิริปุญโนวัดป่าหนองแสงจังหวัดอุดรธานีเล่าความเป็นไปแห่งจิตตั้งแต่ต้นจนจบและท่านได้กล่าวสอนว่าจิตเสื่อมแก้ยากนะท่านสีสติสมาธิและปัญญามันก็เสื่อมไปด้วยกันจิตวิ่งไปตามสัญญาสังขารแล้วก็ตื่นเงาของตัวเองพนที่จะแก้จิตเสื่อมได้ต้องมีความเพียรกล้าที่สุดต้องคุมสติให้ดี มีปัญญากล้าอย่าได้นอนใจขอให้ท่านเด็ดเดียวเอาอย่างพระพุทธสาวกในครั้งพุทธกาลเอาแบบฉบับของท่านพระอาจารย์มั่นมาสอนใจอยู่เสมอท่านจะแจก้จิตเสื่อมให้เจริญขึ้นมาได้อย่างแน่นอนลุก ป, ปุสีท่านได้เล่าต่อไปอย่างน่าฟังว่าในขณะที่เร่งปฏิบัติ ต, ตามอุบายของลุงปูบัวอยู่นั้นวันหนึ่งเดินจงกรมอยู่ลินป่าติดกับทุ่งนามีกลุ่มหญิงสาวชาวบ้าน มาหาปูปลาปาบเขียดเอาสวิงมาช้อนกุ้งเสียงคุยกันดังแวด๊ดแวด๊ดช้อนกุ้งไปพลางขับเพลงไปพลางหยอกเย้ากันไปพลางหัวเราะ ก, กันไปพลางอยู่ในกลางทุ่งนานั้นเสียงนั้นได้เข้ามากระทบจิตขั้นละเอียดของท่านอย่างรุนแรงเหมือนอย่างที่พระบรมศาสดาตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นเสียงอื่นแม้สักอย่างหนึ่ง อันจะยึดเนียวจิตของบุรุษตั้งอยู่ได้เหมือนเสียงแห่งสตรีจริงอยู่เสียงอื่นไม่อาจแผ่ไปทั่วสรีราของบุรุษได้เท่ากับเสียงแห่งสตรีข้อนี้เป็นความจริงแต่สําหรับหลวงปู่ศรีแล้วกายและจิตของท่านไม่ได้วันไวไปตามกระแสะเสียงและกิเลส ข, ขั้นอยากแบบโลกโลกนั้นแต่เสียงนั้นเข้ามากระทบจิตที่กําลังพิจารณาธรรมชั้นสูงจิตประวัติ ถือเอาเสียงนั้นเป็นนิมิตจึงนำความนั้นไปปรึกษาหลวงปู่บัวสิริปุโนโนหลวงปู่บัวสิริปุโนโนท่านจึงให้อุบายทำว่าตอนนี้เสียงส ต, ตรีมันเข้าถึงจิตแล้วให้นั่งสมาธิแทนอย่าไปเดินจงกรมนั่งสมาธิเพียงอย่างเดียวอย่ายุ่งเกี่ยวกับสิ่งใดเมื่อรับฟังโอวาทจากหลวงปู่บัวแล้วจึงตั้งสัจจะว่าถ้าจิตไม่บรรลุธรรมที่พึงประสงค์ ยังไม่ยอมลุกจากที่จะ ย, ยอมตายถวายชีวิตด้วยสัจ บ, บรรมีจึงนั่งสมาธิอยู่ถึงห้าวันหคืนปรากฏปานประหนึ่งว่าทุกขเวทนาทั้งหลายในแผ่นดินแผ่นฟ้ามารวมอยู่ในกายแห่งเดียวดังว่าไฟนรกทั้งแดหลุมเผาหลนอยู่ตลอดเวลากระดูกในกายลั่นสันสะเทือนร้อนรุ่มทุกทรมานแสนสาหัส สุดเหลือที่จะกล่าวพันนาได้ถึงจะทุกสักปานใดก็ตามได้นั่งพินิษพิจารณาคลี่คลายสังขารส่วนต่างๆไม่เสียดายอะไรในชีวิตซึ่งเป็นสิ่งสมมุติจากนั้นพิจารณาอวิชชาซึ่งเป็นเชื้อของใจให้พาเกิดพาตายวุ่นวายอยู่ไม่หยุดหย่อนพิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังทั้งข้างบนข้างล่างตั้งแต่ต้นจนรอบจิต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 สนามเต้นรำทำเพลงและเวทีของกิเลสไม่มีอีกแล้วการทะเลาะ บ, บาดหมางหลังเลสงสัยสับสนวุ่นวายในดีและชั่วจบลงแล้วจิตว่างเปล่าจากกิเลสและการยึด ต, ติดเหลือแต่ความรู้ล้วนๆเพราะคำว่าทุกข์หลุดพ้นไปจากใจโดยสิ้นเชิงอัศจรรย์พระพุทธเจ้าพระอริยสาวกที่ท่านสามารถรู้เห็นได้ก่อนอัศจรรย์ธรรมที่ตนเองรู้เห็น ถึงความเป็นผู้มีใจเป็นของตนไม่ต้องแสวงหาที่พึ่งพาอาศัยอะไรอีกต่อไปเมื่อหลวงปู่ศีมหาวีโรท่านประพฤติปฏิบัติสำเร็จถึงอุดมธรรมตามความประสงค์แล้วไดอริยธรรมชั้นยอดมาครองใจแล้วท่านจึงทุดงไปยังภูเก้าภูพานคำซึ่งมีถ้ำอยู่โดยรอบคือถ้ำเสือตกถ้ำ ม, มดงามถ้ำพลานไฮถ้ำสามตาถ้าจันไดถ้าหามตาม่าง และทำเล็กน้อยอีกมากมายเป็นรัมณียสถานสำหรับพระทุดงอย่างแท้จริงท่านได้ยับยัง้งและเข้าพักที่ถ้ำหามต่างบ้านบางมนตำบลโคกม่วงอำเภอโนอนสังจังหวัดนองบัวลำภูอันเป็นถ้ำที่ลือชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เกรงกลัวของชาวบ้านแถบนั้นเป็นอย่างยิ่งสถานที่แห่งนี้อุดมไปด้วยธรรมชาติและเทวาอารักษ์ มีลานเห็นลาดสุดสายตามีแท่นบูชาพูดผีอันแสดงถึงความเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีต้นสลักใดชูดอกแดงสลอนอีกทั้งต้นไม้ใหญ่เป็นทิวตามแนวเขามีแท่งเห็นใหญ่อันเสมือนเสาเขื่อนอันมะฮมาสองแท่งขามรองรับแผ่นหินทรายใหญ่ที่วางอยู่ด้านบนดังเทพในระมิดไว้ด้วยความศักดิ์สิทธิ์และทัศนียภาพอันสุดวิเศษนี้เองหลวงปู่ี ท่านจึงพักอยู่สบายด้วยวิหารธรรมและดื่มด่อำอมริตรสอันเป็นทิพย์คือพระนิพพานและโปรดปราบสัตว์จตุบททวิบาทพูดผีตลอดจนพวกกายทิพย์ที่มีอยู่มากมายโดยเฉพาะผีปูหลุบซึ่งเป็นเจ้าแห่งผีเขามีอาณาเขตปกครองผีทั้งหมดตั้งแต่ภูก้าวถึงภูพานคำเมื่อมีพระกรรมฐานท่องเที่ยวไปในแถบเทือกนี้ผีปูหลุบ ก็มักจะทดลองภูมิกิจภูมิธรรมทันทีหลวงปู่ศีท่านได้เทศโปรดจนผีปูลุบสยบในคุณธรรมหลังจากนั้นท่านจึงทุดงมาอย่างอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นเข้ากราบคารวะและพักอยู่กับท่านพระอาจารย์จันเขมะปะัดโตสิทธิรุ่นใหญ่ของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตท่านพระอาจารย์จันได้แนะนาว่าให้พวกท่านขึ้นไปภาวนาที่ถ้ากวางทําพระ เพราะเป็นสถานที่สงบสงัดมีสัพพายาธรรมหลวงปูส่สีท่านมาพักอยู่ในถ้ำแห่งนี้ชาวบ้านทั้งหลายต่างก็ดีอกดีใจแล้วิงวอนท่านให้ช่วยปราบเปรตตัวดุร้ายที่มักจะไปหลอกหลอนและก่อกวนชาวบ้านอยู่เสมอในคืนแรกที่ท่านพักภาวนาอยู่ที่ถ้ำพระแห่งนี้เปรตตันั้นก็แสดงตัวปรากฏในสมาธิธรรมของท่านอย่างประจักษ์ประหนึ่งว่า นั่งสนทนากันอย่างคนธรรมดาท่านได้ถามว่าเจ้าชื่อว่าอะไรและที่ต้องมาเกิดเป็นเปรตเสวยทุกเวทนาอันร้ายกาศเห็นป่า น, นี้เพราะกรรมอันใดเปรตนั้นตอบว่าข้าแต่ท่านผู้นิรทุกตุข้าพเจ้าชื่อว่าบักทรมตีนเปส่วนสาเหตุที่ข้าพเจ้าต้องมาเกิดเป็นเปรตนั้นเพราะว่าในปีพุทธศักราช2465ข้าพเจ้าและพวกประมาณสิบคน มาขโมยพระพุทธรูปทองสมำริ์อันเป็นพระประธานอยู่ในถ้ำพระแม้จะพยายามช่วยกันยกช่วยกันหามสักเท่าใดพระพุทธรูปนั้นก็หาขยับขยื่อนไม่พวกเราจึงปรึกษากันว่าควรที่เราจะนำทุบเทียนสักกะระขอขมาท่านเสียก่อนแล้วอารัธนานิมนท่านไปยังสถานที่อื่นเมื่อพวกเราได้ทำอย่างนั้นแล้วพระพุทธรูป ได้ถูกเคลื่อนที่ไปอย่างง่ายดายถึงพระพุทธรูปจะศักดิ์สิทธิ์เพียงใดแต่ด้วยโลภเจตนาบังตาอย่างเมื่อนิดพวกเราก็หาศรัทธาเลื่อมใสและเกรงกลัวต่อบาป ก, กรรมนั้นไม่เมื่อพวกเราหามพระพุทธรูปออกไปพวกเราก็แสดงสันดานบาปหยาบช้าออกมาด้วยพากันทําลายองค์พระพุทธรูปโดยมีดขวานและเลื่อยด้วยหวังว่า จะนำทองจากองค์พระไปขายเพื่อนำเงินไปเลี้ยงชีพถึงแม้พวกเราจะฟันทุบและเลื่อยสักเท่าไหร่พระพุทธรูปนั้นก็หาผุพังไปไม่จึงอธิษฐานจิตว่าขอให้ข้าพเจ้าตัดเสียรพระและตัดอวัยวะส่วนต่างๆของพระสำเร็จเถอดพวกข้าพเจ้าจะขอเกิดเป็นมนุษย์ชาตินี้เพียงชาติเดียวเท่านั้นเมื่อสาเร็จคาอธิษฐานในที่สุดก็สามารถทาลายพระพุทธรูป ได้ตามใจหวังภายหลังเมื่อสิ้นชีพแล้วไปเกิดในอบายภูมิเป็นเปรตเสวยผลนกรรมมาเฝ้าทำพระแห่งนี้และเที่ยวหลอกล้อขอส่วนบุญชาวบ้านเป็นเนืองนิดข้าแต่ท่านผู้ส่งพรข้าพเจ้าลืมกราประยันท่านอีกเรื่องหนึ่งว่าคือเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ข้าพเจ้าเป็นคนใจร้ายมารรสยาคนอื่นเห็นคนอื่นมั่งมีเหนือตนก็ไม่พอใจ ครั้นเห็นคนยากไร้ก็กลับดูแคลนอยากได้ทรัพย์สินของผู้อื่นทําเล่กลหลอกลวงเอาทรัพย์สินของคนอื่นมาเป็นของตนทั้งเป็นคนตรณีไม่ยินดีในการให้ทานเห็นคนอื่นเขาให้ทานก็พลอยห้ามปรามช่อโกงทรัพย์สินที่เป็นของสาธารณะหรือของสง์เอามาเป็นของตนด้วยโลภะเจตนาอยู่เสมอด้วยกรรมเหล่านี้เป็นต้นรพระพเจ้าจึงเกิดมาเป็น วิวิทธรเปริหลวงปู่ศีได้กล่าวสอนด้วยความเมตตาต่อไปอีกว่าขอให้เจ้าตั้งใจรับส่วนบุญที่เราอุทิศให้ลดทิธีมานะและความดูร้ายลงเสียอย่าไปเที่ยวก่อกวนชาวบ้านเขามันจะเป็นบาปซ้ำกรรมซัดเข้าไปอีกเพียงแค่นี้ก็พอจะช่วยบรรเทาเวรกรรมหลายพันปีลงไปได้บ้างหลังจากหลวงปูศ่ศีท่านโปรดเปรตตนนี้แล้วชาวบ้าน ก็อยู่กันอย่างสงบสุขบางคนอัศจรรย์ในคุณธรรมของท่านที่สามารถปราบผีเปรตให้หายพยศลงได้ชาวบ้านจึงขนานนามท่านว่าหลวงปู่ศรีผีย่านในปีพุทธศักราช2507ท่านได้ย้อนกลับมาจำพรรษาที่เสนาสนะป่ากรุงร้างอีกครั้งหนึ่งช่างเป็นความจริงอย่างที่หลวงปู่บัวสิริปุนโนได้เคยกล่าวไว้ว่า ท่านสีท่านจะหนีจากเมืองร้อยเอ็ดไปไหนไม่ได้ดอกก็เป็นความจริงจนถึงทุกวันนี้อย่างที่ใครๆไม่อาจปฏิเสธได้การกลับมาของท่านในคราวนี้ท่านได้ครองวิมุติสุขล่าเทวาอารักษ์มาแสดงความยินดีอนุโมทนาในธรรมวิเศษและต้อนรับท่านอย่างเนืองแน่นในยะา่าเป็นการกลับมาเพื่อเสริมสร้างสิ่งมหัศจรรย์ อันเป็นคุณประโยชน์ใหญ่ให้แก่ประเทศชาติพระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์ท่านได้บูรณะปรับปรุงเสนาสนวัดป่ากรุงรา้างให้เป็นวัดวาอารามสมบูรณ์ถาวรมั่นคงโดยให้ชื่อตามความหมายที่ประชาชนร่วมกันสร้างว่าวัดประชาคมวนารามแต่ขยายอาณาเขตจากเดิมเริ่มแรกสี่ไร่เป็น314ไร่สองงาน เหตุคารวดาที่เข้ามาปฏิบัติธรรมจะแยกบริเวณการระหว่างหญิงและชายทุกชีวิตที่นี่มีแต่ความสุขแม้แต่สัพพสัตว์ทั้งหลายภายในวัดก็ได้อาศัยใบบุญของหลวงปู่ศีอยู่อย่างมีความสุขแต่สิ่งที่น่ายินดีและน่าปลาบปลื่มปีติเป็นอย่างยิ่งที่สุดนั้นก็คือเมื่อปีพุทธศักราช2518พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาและเจ้าฟ้าหญิงจุลาภรวัลัยลักษ์ได้เสด็จมาทอดพระกฐินส่วนพระองค์ที่วัดประชาคมวณารามซึ่งนับว่าเป็นเกียรติประวัติแจ้ชาวจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นอย่างยิ่งแม้หลวงปู่ศรีจะอายุย่างเข้าสู่ปัจฉิมวัยท่านยังนําคณะศิทธญาณุสิทธ์ท่องเที่ยวกรรมฐ า, านเหมือนกับใบหนุ่มๆไม่เห็นใจความเหน็ดเหนื่อย เที่ยวอบรมสั่งสอนคนที่หลงงมงายนับถือสิ่งที่ไร้สาระจัญสารให้หันมานับถือพระรัตนตรยัยปรากฏว่ารายทางที่ท่านผ่านไปกรินทูปควันเทียนเครื่องสังเวยพูดผีได้กลับกลายมาเป็นเครื่องบูชาสาการะพระรัตนตรยัยเพราะท่านถือว่าร่างกายกับคุณงามความดีแตกต่างกันไกลลิปลับเพราะว่าร่างกายจลหลไปทุกขณะ ส่วนคุณงามความดีดำรงอยู่ชั่วกับชั่วกันท่านปร า, ารกว่าประชาชนชาวบ้านผู้มีอุปนิสัยในทางธรรมเมืเม่อได้สนทนาธรรมได้ฟังธรรมจากท่านซึ่งเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงแม้เพียงครั้งเดียวก็จะได้รับประโยชน์และความสุขอันมีพระนิพพานเป็นที่สุดได้เช่นกันในบางครั้งลุงปุษยท่านเมตตาเล่าเรื่องพูดผีให้ฟังว่า พวกพูดผีก็เหมือนมนุษย์เรานี่แหละมีทั้งดีและชั่วผีไม่ดีก็ถูกจับไปกักขังไว้ในคุกเหมือนโลกมนุษย์เราบ้านเมืองผีก็ใหญ่โตเหมือนบ้านเมืองในโลกมนุษย์เรามีหัวหน้าปกครองเหมือนกันทุกอย่างแต่ที่แตกต่างกันคืออำนาจของบุญผีทั้งหลายจะเกรงกลัวผู้มีบุญวาสนาและผีที่มีนิสัยในทางบุญ ก็จะสนใจในบุญเหมือนกันแต่ที่เป็นผีเพราะต้องมาชดใช้กรรมตามบาระเท่านั้นในการเที่ยวสั่งสอนออกธรรมยาราของท่านไม่ได้ราบรื่นเสมอไปในบางครั้งก็มีผู้พยายามต่อต้านโดวยวิธีการต่างๆแต่ท่านก็สอนสิทธิ์ว่าคนฉลาดถึงมีตาดีก็ทำเหมือนคนตาบอดถึงหูดีก็ทำเหมือนคนหูหนวก ถึงมีปัญญาก็ทำเหมือนคนใบ้ถึงมีกำลังก็ทำเหมือนคนไม่มีกำลังเมื่อมีความจำเป็นขึ้นมาถึงจะนอนอยู่ในเวลาใกล้จะตายก็ยังสามารถทำประโยชน์ใหญ่ได้ในปีพุทธศักราช2517สพยากรป่าไม้บนเทือกเขาเขียวกำลังถูกทำลายเป็นอย่างมากมีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เข้าอาศัยอยู่ปฏิบัติเพื่ออุดมการ ด้วยเหตุนี้นาวาอากาศเอกประสิทธิ์ทองใบใหญ่รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดสมัยนั้นจึงได้กราบนิมนต์ถวายที่ใจหลวงปุสีมหาวีโรท่านจึงจัดตั้งวัดชื่อว่าวัดผาน้ำทิพเทพประสิทธิ์วนารามภายหลังสำเร็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาฏได้ถวายที่ให้ท่านช่วยดูแลรักษาป่าเพิ่มเติมรวมเป็นจานวน1น0 0 0แืนไร่ เป็นที่ทราบกันดีว่าเมื่อมีคนดีก็ต้องมีคนร้ายเมื่อเป็นพระก็ต้องมีมารผจญในเย็นวันหนึ่งขณะที่พระเนรแม่ชีตลอดจนชาวบ้านเป็นจํานวนมากมาช่วยร่วมกันปลูป่าท่านได้สั่งกคำชับทุกคนว่าให้ภาวนาอย่าพากันนอนมันจะไม่เป็นอะไรหรอกท่านพูดเพียงเท่านั้นแล้วท่านก็จากไปปรากฏว่าคืนวันนั้นเวลาสามทุ่มก็เกิดระเบิดขึ้น เสียงดังลั่นสนันป่าทุกคนต่างตกอกตกใจจอบเสียมเครื่องใช้ไม้สอยทะลุไปหมดหลังคาปรุปพูนไปทั่วแต่ไม่มีใครเป็นอะไรเลยนี้เป็นความอัศจรรย์อย่างยิ่งสำหรับญาติโยมหรือพระเนนที่อยู่ในเหตุการณ์ทุกคนต่างชื่นชมยกมือสาธุในบุญบา ร, รมีของท่านที่คุ้มครองรักษาในเรื่องวาจาศักดิ์สิทธิ์นี้ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหามุนีวงวัดนรนาตสุนทริการามกรุงเทพท่านมักกล่าวยกย่องหลวงปู่ศีเสมอว่าศีปากเข็ดคือมีวาจาศักดิ์สิทธิ์พูดอะไรทำอะไรสำเร็จทุกอย่างธรรมะของหลวงปู่ศีมหาวีโรเป็นธรรมะที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายแสดงเรื่องจิตกิเลสกรรมล้นล้ว น, วนแม้ท่านจะไม่ใช่พระประเภทดักเทศ ที่มีชื่อเสียงเพราะท่านพูดน้อยแต่คำพูดของท่านก็เป็นประเภทพูดน้อยแต่ต่อยหนักมีสาระลุนล้วนปฏิปทาของท่านปฏิบัติลาบากแต่รู้เร็วในยุคสมัยที่กิเลสหนาขึ้นโดยลาดับในวัยชราส่วนมากท่านจะนั่งนิ่งๆเมื่อมีคนมากราบไหว้สนทนาเล็กน้อยท่านก็จะให้ผ่อนเพียงเท่านั้นแม้ท่าทันอยู่ในวัยชราแต่กิริยาท่าทางของท่าน ององอาสางางามรองจีวรเป็นปริมนทนสวยงามเสมอก้าวย่างเดินอย่างมีสติประดุจราชสีประชาชนพระเนรล้วนหวั่นเกรงในเมตตาบารมีธรรมของท่านเป็นอย่างมากคณะศิทธิานุสิทธตนำโดยพระอาจารย์ทองอินกระตะุญโยได้จัดสร้างพระเจดีหินวัดป่ากุง้งจำลองมาจากเจดีปุโรพุฑโธประเทศอินโดนีเซียที่ท่านชื่นชอบ เพื่อถวายเป็นอาจาริยบูชาในปีพุทธศักราช2541เมื่อพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบุวญาณสัมปันโนประกาศตั้งโครงการทอดผ้าป่าช่วยชาติในยามที่ประเทศไทยเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเป็นหนี้สินต่างชาติหลวงปู่ศรีมหาวีโรท่านก่อเอาทุระของครูบาอาจารย์อย่างเต็มที่ทั้งที่ทาดขันไม่สู้จะอํานวย ท่านก็ยังเป่าประกาศให้ลูกศิษย์ทั้งหลายมาร่วมกันช่วยชาติกับหลวงตามหาบัวส่วนองค์ท่านเองได้กราบนิมนต์หลวงตามหาบัวมารับทองคําดัลล่าจัดพระป่าช่วยชาติที่วัดป่ากุงเป็นประจําทุกปีด้วยความเคารพในองค์หลวงตามหาบัวญาณสัมปนโนประมาจารย์กรรมฐานในยุคปัจจุบันทุกปีท่านจะนําคณะศิษยานุสิ์วัดสาขา ผู้ประเทศมาคราวะหลวงตาและทอดผ้าป่าถวายหลวงตาท่านถือปฏิบัติอย่างนี้เป็นประจำทุกปีเมื่อหลวงปูศ่ศรีเข้ามากราบหลวงตาถ้าอาสนะมีขนาดเท่าเทียมกันหรือวางเสมอกันท่านจะไม่ยอมนั่งท่านจะนั่งอาสนะบางๆหรือนั่งลงพื้นเลยนี้คือกิริยาของพระมหาเถระที่แสดงความเคารพต่อกันและกันตามแบบ อริยประเพณีภาพที่ท่านทั้งสองนั่งสนทนากันเป็นภาพที่น่าเคารพรักเป็นอย่างยิ่งพูดพลางยิ้มพลางกระแสเสียงที่ท่านสนทนากันช่างนิ่มนวลระรื่นหูประกอบไปด้วยความเอ็นดูและเมตตาหลวงปูศ่ศีจะพนมมือสนทนาเหมือนสัมมเนตองคเล็กๆเป็นผู้นั่งนิ่งเสมอจนกว่าว่าหลวงตาจะถาม ทำให้ผู้คนบางคนที่นั่งดูรู้เห็นถึงกับน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้สึกตัวบ้างก็ปลื้มใจที่มีบุญวาสนาได้เห็นพระอริยสงฆ์ผู้งานพร้อมถึงกับอุทานว่าต่อแต่นี้ไปภาพแห่งพระมหาเถรผู้ทรงคุณอันประเสริฐจะมีปรากฏให้เห็นอย่างนี้อีกหรือไม่หนอเรามีบุญแท้เทียวจึงมีโอกาสได้เห็นพระ ผู้ทรงคุณเช่นนี้ชาตินี้เกิดมาไม่เสียชาติเกิดแท้ๆผ่านจากยุคของพระมหาเถรทั้งสององค์นี้แล้วพระผู้มีบุญญาธิการอย่างนี้จะปรากฏอุบัติขึ้นในโลกโดยธรรมได้อีกหรือไม่ลุงปูสีมหาวีโรท่านมีนิในใสัยละเอียดอ่อนสุขุมเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยความที่ท่านเคยเป็นครูมาก่อนจะคิดจะทาอะไรต้องวางแผนงาน เรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างที่สําเร็จได้ล้วนเกิดขึ้นด้วยบุญญาบารมีของท่านเองดังโอวาทรรมที่หลวงตามหาบัวได้กล่าวยกย่องท่านไว้ว่าท่านพระอาจารย์สีมีลูกศิษย์ลูกหามากพระเจ้าพระสงฆ์ที่เป็นวัช ส, สาขาของท่านก็มีอยู่โดยทั่วไปนอกจากจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วยังมีทั่วไปในประเทศไทยท่านนับว่าเป็นผู้มีบุญวาสนา กว่างขวางอีกอง์หนึ่งที่หาได้ยากเพราะคาว่าวาสนานี้มิได้เกิดขึ้นอย่างลอยๆหรือเสกสรรปัญญ้นยอการเกิดขึ้นได้แต่ต้องเกิดขึ้นมาตามหลักธรรมชาติแห่งบุญญาพิสมภานของท่านผู้สร้างบุญบา ร, รมีมาเมื่อสร้างมามากขึ้นมากขึ้นก็ยิ่งเพิ่มบา ร, รมีขึ้นเต็มหัวใจเต็ม น, นิสัยวาสนาไปสถานที่ใดก็มีคนเคารพนับถือจากนั้น ก็ยังมีเทพบุตรเทวดาอินพรหมกราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจเพราะอํานาจแห่งเมตตาธรรมที่ท่านปฏิบัติมาบรรจุอยู่ในหัวใจเต็มไปหมดอํานาจแห่งเมตตาธรรมนี้เองทําความร่มเย็นให้แก่โลกทั้งสาคือกามาโลกรูปะโลกอรูปะโลกหรือกามาพรูปะพบอรูปะพบ ทั้งสามนี้อยู่ใต้ร่มเงาแห่งเมตตาธรรมทั้งนั้นนี้คือปุญญาพินิหารที่ท่านกระทำำําบําเพ็ญมาแต่ชาติปางก่อนลาบสการะชื่อเสียงปรากฏขึ้นเหมือนของทิพย์ที่หลั่งไหลามาจากสูงสวรรค์ท่านจะปรารถนาหรือไม่ก็ตามนี้คืออานิสงส์แห่งบุญที่ท่านทำไว้แต่ชาติปางก่อนและปัจจุบันชาติ ซึ่งตั้งตนไว้ชอบจนถึงที่สุดแห่งทุกข์กว่าจะเป็นหลวงปู่ศรีมหาวีโรพระผู้มากล้นด้วยบุญบา ร, รมีท่านมีเบื้องหลังคือปฏิปทาอันแกล่งกล้าน่าอัศจรรย์สู้ตายเพื่อทำกรรมศึกในทุดงขวัตหาผู้เปรียบได้ยากด้วยวัตปฏิบัติและปฏิปทาอันนำมาซึ่งความเลื่อมใสสาธุชน จึงพากันหลั่งไหลามากราบไหว้มากขึ้นโดยลำดับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันณวัดป่ากุงแห่งนี้รอยทางเท้าแห่งพระอริยขนาจารย์อูทรงคุณธรรมอันประเสริฐได้ก้าวย่างจงกรมผ่านเข้ามาเพื่อเยี่ยมเยือนหลวงปู่ศรีอยู่เสมอเช่นพระธรรมเจดีจูมพันธุโลหลวงปู่ดูลัตุโลพระจานทร์ฟันอาจา ร, รพระจานทร์อ่อนยานศิริ หลวงปู่บัวสิริบุญโนหลวงปู่สามอาจินจันโนหลวงปู่มหาบุญมีสิริทโรพระอาจารย์ชอบฐานะสโมพระอาจารย์หลุยจันทสาโรพระอาจารย์มหาบุว ญ, ญาณสัมปันโนพระอาจารย์วันอุตตโมพระอาจารย์จวนกุลเชษโถพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมบวโรหลวงพ่อพุท ธ, ธานิโยหลวงปู่ล่าเขมปัตโตเป็นต้นชื่อเสียงของท่านจึงโด่งดังไปทั่วทุกทิศ นอกจากการอบรมสั่งสอนประชาชนในเมืองไทยแล้วท่านยังได้เดินทางไปเผยแผ่ธรรมยังต่างแดนเช่นอินเดียจีนสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียออสเตรเลียสหรัฐอเมริกาท่านได้ก่อสร้างทาวรวัตถุที่วัดประชาคม ว, ว น, นารามวัดผานน้ำย้อยและวัดสาขาอีก145วัดทั่วประเทศไว้มากมายและที่สำคัญยิ่งนั้นก็คือ การสร้างปูชนียสถานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและอัฐิธาตุของถูปรารหบุคคลเพื่อเป็นที่สการะบูชาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบนยอดเขาผาน้ำย้อยอันงามสง่าเทียมฟ้านามว่าพระมหาเจดีย์ชัยมงคล น, นั้นย่อมเป็นเครื่องประกาศว่าอริยสงสาวก ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารูปหนึ่งนามว่าพระเทพพิสุทธิมงคลสีมหาวีโรสิทธ์รุ่นสุดท้ายของท่านพระจารมั่นคูริทัตโตเป็นพยานแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระอริยสงสาวกและได้ก้าวเดินตามรอยบาทพระศาสดานี้คือศาสนาที่ทรงมรรคผลนำสัตวโลก ให้พ้นจากทุกได้ยอย่างแท้จริงท่านจึงเป็นผู้มีจิตศรัทธามั่นคงอย่างรากฝังลึกลงในธรรมของพระตถาคตเจ้าแล้วเป็นผู้ถึงซึ่งการนับได้ว่าสมณะสากยปุติยะโดยแท้คือผู้เป็นบุตรเป็นโอรสอันเกิดจากพระโอษของพระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดโดยธรรมเนรมิตรโดยธรรมเป็นทายาทโดยธรรม ท่านจึงเป็นผู้ประพฤติ ธ, ธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งประพฤติตามธรรมอยู่เป็นผู้ไม่เกิดความยินดียินร้ายมีจิตมัธยัตเป็นกลางมีความรึกได้และรู้สึกตัวเป็นประจำเป็นผู้ไม่เหลียวไหลไม่เลียวแหลกตั้งอยู่ในธรรมที่เป็นสาระเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลคือสารวมด้วยปาติโมขสังวรสมบูรณ์ด้วยมารยาทและโขจร มีปกติเห็นภัยในโทษทั้งหลายแม้ที่ถือกันว่าโทษเล็กน้อยเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยกําลังคือปรารบความเพียนเป็นผู้มีกําลังแข็งขันทําความเพียนก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลายเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยความไวแห่งปัญญาคือรู้ชัดตามความเป็นจริงแต่ฉานในอริยสัจว่าความไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้เพราะเหตุฉนี้แลพระเทพวิสุทธิมงคลหรือหลวงปู่ีมหาวีโรพระมหาเทระผู้เท่าวัยเก้าสิบปีพันศาห1สิบอดท่านยังเป็นผู้ควรแจกการสักการบูชาควรแจกของต้อนรับควรแจกของทาบุญควรแจกการนบไหว้เป็นเนื้อนาบุญ ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้แหละีวประวัติย่อพระเทพวิสุทธิมงคลจากหนังสือหลวงปู่ศรีมหาวีโรพระผู้มากล้นด้วยบุญบา ร, รมีนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมบรรณาการอันเป็นมหามงคล ฉลองศิรีอายุครบ90ปี61พันษาในวันที่สามพฤษภาคมพุทธศักราช2549และในวาระนี้คณะสิทธิอนุสิ์สร้างพระเจดีหินวัดป่ากุมน้อมถวายบูชาคุณแสดงกตัญญูกะตะเวทิตาแด่องค์ท่านหากการบันทึกประวัติในครั้งนี้ผิดพลาดประการใดด้วยความได้ปัญญา รู้เท่าไม่ถึงการขอองค์ลุงปู่จงอดโทษอโหสิกรรมให้แก่ขรัพระเจ้าด้วยเถิดพระมหาทีรนาอาทิโร